เรื่องที่เก้าเจริญสติปัฏฐานถึงกันกับโพชชงหมพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2553 กลับขออนุ ญ, ญาตถามคําถามเนื่องด้วยตรงนี้กับหลวงพ่ออนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขอโอกาสเพื่อนพานวากาดนิดหนึ่งอยากจะไอกระบวนการทํางานตรงนี้นครับผมอยากจะสอบทาน่านความเข้าใจที่ผมปฏิบัติมานิดหนึ่งนะครับหลวงพ่อครับคือตอนนี้เนี่ยจเจริญสติปัฏฐาน4ี่เป็นหลักอยู่เสร็จแล้วเนี่ยความเข้าใจของผมในขณะเจริญสติเนี่ยมันเกิดความเข้าใจขึ้นในโพชฌงขึ้นตรงที่ว่าไอตัวสติตัวแรกในโพชฌงคือสติสัมโพชฌงเนี่ยมันก็มาจากการจเจริญสติปัฏฐาน ซึ่งต่อเนื่องลงมานี่ก็คือทำมาวิจยะเนี่ยก็คือการพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดจากการจเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมเมื่อพิจารณาสภาวะธรรมไปนในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็เป็นธรรมวิจนะวิจยะตรงนั้นแล้วก็เพียรธรรมไปเรื่อยๆก็เป็นวิริยะสัมโพธชงแล้วก็ปีติปัสสติรวมถึงสมาธิเนี่ยก็จะเกิดตามมาแล้วท้ายที่สุดถ้าเรารู้ลงได้ด้วยความเป็นกลางก็เกิดอุเบกขาทีนี้เนี่ยความเข้าใจที่ผมยังเข้าใจต่อเนื่องไปซึ่งไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าก็คือว่า ถ้าเราหมั่นทำตัวสติปัฏฐานไปเรื่อยๆก็จะเจริญให้องค์ธรรมแห่งการตัสรู้คือโพชฌงนี้มันจเจริญขึ้นมาด้วยแล้วเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมเนี่ยตัวอินทรีย์ั้ท่าก็คือสภาวิริยะสติแล้วก็สมาธิกับปัญญาเนี่ยเมื่อมันคลิกรวมกันเมื่อไหร่ก็จะเป็นสภาวะที่ทําให้เราสามารถดูแจ้งเห็นจริงได้ตรงนั้นนี่มันมีข้อที่ยังคลาดเคลื่อนไปตรงไหนหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าผมจะเข้าใจองค์ธรรมที่เนื่องด้วยกันอย่างนี้สามอย่างเนี่ยครับก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ คือพูดรวมๆเนี่ยเราปฏิบัติในชุดไหนเราชุดสติปัฏฐานเป็นหลักเวลาปฏิบัติไปก็เรียกว่าเจริญใช่ไหมเจริญสติปัฏฐานก็คือภาวนาเมื่อเจริญมันก็พัฒนาไปหมดสิองค์ประกอบองค์ธรรมตัวส่วนย่อยเน่ยมันก็พัฒนาไปได้วยกันหมดมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ทีนี้เวลาเราไปพูดว่าโพดชงเนี่ยก็หมายว่าใช้กันเลย ไ อ, ไอ้การที่มันจะพัฒนาไปด้วยกันในกระบวนการเป็นองค์ถามย่อยมันก็เป็นธรรมดาและเมื่เราปฏิบัติในกระบวนไหนมันก็พัฒนาไปด้วยกันเพราะมันเป็นส่วนย่อยอยู่ในนั้นนะแต่ว่าทีนี้อย่างในโพชชงก็คือทําทรตรงไปตรงมาในแง่ที่เรียกว่าโพชชงเลยทางการยกตัวอย่างใช่ว่าอ้าวสติโพดชง์ก็หมายความในกรณีนั้นใช้กระบวนการแบบที่เรียกว่าโพชชงเจ็ มันก็เดินไปตามสายของมันเลยนะก็อย่างที่พระพุทธเจ้าจัดไว้เองยกตัวอย่างภิกษุได้เรียนรรมาแล้วนี่ฟังพระสูตรหรือว่าอาจารย์สอนเลยไปนั่งในที่สงัดหรือคนไม้นึกถึงทบทวนรละลึกถึงหลักธรรมคำสอนที่ได้เล่าเรียนเหมือนั้นหรือที่ ไปอ่านพระสูตรอะไก็แล้วแต่นะแน่นสติแหละนี่ก็ดึงมางานที่ดึงมาผมบอกว่าแล้วดึงมาดึงไว้ตอนนี้ดึงมาแล้วมันอยู่ในความจําดึงออกมาเนี่ยไอ้ข้อธรรมอันนี้เป็นที่เราเรียนตรงเนี้ยเป็นที่น่าสนใจเราก็ดึงออกมานี่เรียกว่าสติเริ่มตนสติเราดึงเรามีจุดหมายแล้วนี่ ก็เพื่อเราจะมาพิจารณาเราจะมองเราจะศึกษาพอเราดึงมาปับ๊บปัญญาก็ทำงานนี่แหละธรรมวิจยะ mm hmm. ก็พิจารณาไตรตรองเฟ้นคันอะไรต่างๆเนี่ยนะพยายามหาความหมายให้เกิดความเข้าใจให้มันชัดเจน mm hmm. เฟ้นเค้นให้มันชัดนะ mm hmm. จะวิเคราะห์จะอะไรก็แล้วแต่อยู่ในนี้หมด ก็คือหาความเข้าใจหาความชัดเจนให้มันเกิดขึ้นมาหรือแม้แต่สถานการณ์อะไรสักอย่างนึงคือมันี่ยมองให้เห็นแง่มุมที่มันเป็นความจริงทําให้เราเห็นความจริงเกี่ยวกับมันเห็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมันชัดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เป็นธรรมบิจญจินยาก็คือต่อจากสติหละสติมันดึงมามันเหมือนกับมันมารับใช้ปัญญาอยู่เลยใช่ไหม เราเอามาเพื่อให้เจ้าปัญญานี่ทำงานเพราะปัญญามันทำงานมันเห็นแง่มุมมันลชัดเนี่ยจิตมันมีทางไปเหมือนกับเรามองเห็นทางเนี่ยจิตคนเรานี่ถ้ามันไม่มีอะไรมันเฉยต่อไปมันนิ่งหรือมันอั้นมันก็บ่นแล้วมันก็เฉื่อยแล้วบางทีก็อัดอั้นก็อึดอัดไปทุก แต่พอปัญญามันมานะมันมองเห็นแล้วเช่นทางไปนี่หรือแง่มุมที่จะใช้ประโยชน์พอมันเห็นเท่านั้นแหละครับอย่างเห็นทางไปจิตเนี่ยพอมันเห็นทางไปมันก็อยากไปเลยวิริยะมาทันทีเลยเนะียพอมองเห็นทางไปเห็นช่องเห็นแง่ไปกําลังเกิดกําลังที่จิตมันจะเดินจิตเหมือนเดินได้แล้วตอนนี้ มันงัจิตมันอันถ้าจิตอันนี่ทุกจิตวกจิตบนจิตอัดจิตอันอึดอัดติดขัดรับคล้องเนี่ทุกเ น, น่ทีนี้พอปัญญาเปิดทางปัญญาเป็นตัวเปิดช่องให้เห็นทางไปแล้วจิตมันมีทางไปมันก็มีกำลังที่จะเดินที่จะมุ่งไปเนี่ยวิริยะมาแหละ ว, วิริยะความเพียรก็เกิดกาลังมาแหละจิตเกิดกาลัง กำลังวิริยะมันแปลว่าการก้าวไปนะความเพียรนี่หมายถึงการที่จะเดินหน้าเพียรเนี่ยความหมายท่านมุ่งไปที่การเดินนะจิตเดินหน้าได้แล้วเอาละปัญญามันบอกให้มันส่องให้เห็นแล้วเดินนะวิยะพอมันเดินหน้านะฮะมาเกิดความสมใจนะ อันนี้มันเป็นกระบวนการทำ ง, งานของจิตเองมันสมใจที่มันไปได้ใช่ไหมกำลังมันมีแล้วมันเดินหน้าไปมันเดินหน้าไปมันสมใจปิติเกิดเลยอิ่มใจปลื้มใจปิติเกิดขึ้นปลื้มใจสมใจแล้วปัจสธิสงบลงได้ตอนนี้ผ่อนคลายหมดถ้าจิตมันอั้นมันไปไม่ได้เนี่ยอุดหัดนะดิดน้นรน ทีนี้พอมันปลื้มใจมันไปได้ดีแล้วมันก็สมใจมันก็ผ่อนคลายสงบพอพันผ่อนคลายสงบสุขก็มาพอสุขมาในตอนนี้ก็คือจิตมันอยู่ตัวดีและมันได้ที่สมาธิไม่ต้องพูดถึงมันก็จะไปว่าจิตมันลงตัวของมันแล้วก็เป็นอุเบกขา อุเบกขาก็คือภาวะที่จิตลงตัวผมใช้คำว่าสมาธิจิตอยู่ตัวอยู่ตัวแล้วเพราะลงตัวก็เป็นอุเบกขาคือทุกอย่างมันได้ที่หมดแหละอะไรต่ออะไรมันลงตัวเข้าที่พอดีอะไรทุกอย่างเนะ่ยมันไม่มีติดขัดอะไรกขมันมันก็เรียกว่าอุเบกขาภาวะจิตอุเบกขาเนี่ยจึงสูงมากเป็นภาวะจิตที่ดีที่สุดเพราะอารหันจึง มีลักษณะที่จิตอยู่ด้วยอุเบกขาเป็นประจำเลยคือจิตลงตัวนั่นเองลงตัวกับโลกและชีวิตเลยใ น, ในที่สุดคนเราเนี่ยจิตมันไม่ลงตัวกับโลกและชีวิตมันยุ่งไปหมดใช่ไหมเนี่ยมันลงตัวไม่ได้พอมีปัญญาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยลงตัวหมดเลยทุกอย่างเข้าที่เข้ามันหมดเนย ตอนนี้ภาวะจิต ท, ที่เป็นเบกขาก็แม้แต่เวลาจิตทํางานในระบบโพดชงเจดเนี่ยในช่วงสั้นๆมันก็จะไปตามกระบวนการนี้นถ้าจิตมันเดินหน้าไปได้ดีแล้วสมใจมันมันก็สบายมันก็สงบนีมันไม่มีอะไรที่จะต้องปรับต้องจัดลงตัวเดินหน้าไปดีเหมือนกันที่คงเคยอุปมางาท่านอุปมา อุเบกขาเนี่ยเหมือนกับคนขับรถสารถีที่ชำนาญถ้าคนขับรถไม่เป็นไม่เก่งนะใจไม่สบายเลยจะออกรถจะอะไรตออะไรรถวิ่งไปที่ใจไม่ดีแต่นั้นเป็นห่วงเป็นกังวลเป็นอะไรต่อะไรใช่ไหมอันนี้พอชำนาญ น, นขับรถก็ขับรถเข้าไปเข้าที่เข้าทาง ปรับความเร็วให้ได้พอเหมาะแล้วแหละพอทุกอย่างลงตัวแล้วตอนเนี้ยนยีก็คือความชํานาญเนี่ยมันรู้หมดปัญญามันอยู่ปัญญามันเป็นตัวทําให้จิตลงตัวได้เพราะมันชํานาญจะรู้เข้าใจทันหมดถ้าจะมีตอนนี้รถวิ่งความเร็วเท่านี้พอดีเน่ยเข้าอยู่ในทางขับอย่างเงี้ยดี แต่ว่าถ้ามันจะมีการผิดเพี้ยนหรือจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปัญญาจิตที่มีปัญญาพร้อมอยู่เนี่ยมันมีความพร้อมความไหวที่จะแก้ไขใช่ไหมมันก็เกิดความมั่นใจตัวเองอั น, นั้นคนที่ชํานาญขับรถพอวิ่งรถเข้าทางเข้าที่ได้ความเร็วพอดีแล้วจิตมันก็ลงตัวจิตลงตัวนิ่งอะไรตัวนี้นนนเนี่ยก็วิ่งรถสบายเนี่ยเหมือนกับคนที่ มีจิตเป็นอุเบกขานะีท่านเทียบเหมือนกับสารถีที่ชำนาญและขับรถวิ่งเข้าที่ได้ความเรวพอดีจิตเป็นอุเบกขาไปสบายนะถ้าจะมีอะไรแต่อะไรก็แก้ไขได้ทันการไม่เหมือนคนที่ขับรถยังไม่เป็นนะจิตใจก็ไม่สบายจิตมันลงตัวไม่ได้ น, ะนี่มีปัญญาก็หมายความเหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ย เราก็เดินทางไปในวิถีชีวิตจิตเราลงตัวหมดใช่ไหมความรู้เข้าใจชีวิตอะไรแต่อะไรมันลงตัววางใจได้เลยสบายก็เป็นอุเบกขาจะเจออะไรแต่อะไรก็เป็นอุเบกขาหมดนะที่มีความเป็นอุเบกขาลงตัวอยู่ยนั้นได้เพราะปัญญามันมีอยู่นะความรู้เข้าใจมันพร้อมหมด ก็เป็นอิสระด้วยก็เลยกลายไปว่าอุเบกขาเนะเป็นสภาพจิตที่เป็นพื้นของพระอาหารหันต์จึงสูงมากนะโพชงนี่ไปอยู่ข้อสุดท้ายเลยนมันคล้ายๆมันบอกในตัวว่าตอนนี้มันมีอะไรปัญญาก็พร้อมสมาธิก็มีองค์ธรรมอะไรต่ะไรก็อยู่ในนั้นนีทำงานกันได้พอดีลงตัวหมดแล้ว นะฮะหมายความว่าองค์ทำทุกอย่างเนี่ยมันทําหน้าที่พอดีเขามันหมดจัดปรับได้พอดีหมดเลยก็เลยจิตมันก็อยู่ในภาวะอุเบกขาเหมือนก็เหมือนกับว่าไม่รู้นี่มันทํางานยังไงอย่างคนที่ขับรถใช่ไหมเออแต่จะมีอะไรขึ้นมาปั๊บมันทันทีเลยอ้าวแล้วมันมาไงไอความพร้อมมันนั้นเนี่ยความพร้อมที่มันลงตัวพอดีมันพร้อมอยู่เลยใช่ไหมอ่าไอความพร้อมนั้นมายังไงอ่ะ เกิดอะไรขึ้นมามันก็จัดการได้เลยเหมือนกับจิตของพระอรหันต์ที่ว่าลงตัวหมดแล้วเนี่ยอะไรแต่อะไรเ่านั้นเวลาเราดูเฉยๆดูไม่ออกแต่มันมีความพร้อมลงตัวเข้ามันอยู่ง้นอะไรเกิดขึ้นมันก็ปฏิบัติของมันไปเองได้นะอธิบายยากเลยตอนเนี้ย <laughs> ใช่ไหมเออเหมื อ, อมนกับในชีวิตประจาวันเนี่ยท่านไปอธิบา ย, ยางไงล่ะคนที่ขับรถ เก่งจน ก, กระทั่งลงตัวอย่างเงี้ยแล้วจิตมันทำงานยังไงมันก็พร้อมของมันอย่างไงใช่ไหมเออท่านก็เลยใช้วิธีอุปมาเป็นประโยชน์มาดีมาจิตเป็นอุเบกขาดีแน่ใช่ไหมนั้นจึงเหนือกับสุขอีกสุขยังสู้ไม่ได้สุขสูขส้สอุเบกขาไม่ได้นทีนี้ผู้ที่มีอุเบกขาอย่างนี้แล้วเนี่ย จะสวยสุกก็เสวยได้เต็มที่ mm. เออฉันมีจิตเป็นพื้นเป็นอุเบกขาลงตัวอย่างนี้พอต้องการจะเข้าฌานก็เข้าฌานลงตัวไปด้วยอเจ้าฌานก็ลงตัวไปด้วยเนะี่ยก็เลยเป็นฌานพิเศษไม่เหมือนปุตุชนปุตุชนเข้าฌานก็เข้าฌานไปจิตก็อยู่ระดับสูงแต่มันก็ไม่เหมือนจิตพระอรหันต์ที่เข้าฌานเนะี่ย มันได้ผลไม่เต็มที่ได้ประโยชน์จากฌานไม่เต็มอ้ามีแง่มุมอะไรก็นิมนต์ครับถามอรักษ์ล้วเดี๋ยวผมตอบแล้อย่างที่พูดไปนเนี้ยเลยเอา้ <c oughs> อาวทีนี้มีอะไรแง่อะไรจะถามต่อาอานิมนต์ความยืนยันจากหลวงพ่อหนี่ยครับไม่ทราบว่าในการปฏิบัติธรรมตามที่หลวงพ่อได้กล่าวมาในการปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่แล้วก็พ่อชงเจ็ดประการนะครับ ที่รวมทั้งหมดเป็นโพธิญาโพธิักเกียรติมาสามสิบเจ็ดคำสามสิบจ็ประการเนี่ยครับถ้าเกิดเราปฏิบัติตามนั้นไปเรื่อยๆเป็นประจำอยู่แล้วบุคคลที่ไม่ได้โน้มจิตที่จะไม่อยากเกิดอีกบุคคลที่ไม่ได้น้มจิตว่าไม่อยากเกิดอีกเนี่ยครับมีสิทธิ์ที่จะบรรลุก็ไม่ต้องไปโน้มจิตโน้มจนไปแล้วอาจารยก็เราก็ปฏิบัติไปโดยที่อยู่กับไอ้ความเป็นจริงเนี่ยเพราะจิตมันถึง มันก็เกิดปัญญามันรู้เข้าใจมันก็ไอ้ปัญญาปรับจิตเองปัญญาเนี่ยเป็นตัวปรับจิตพอเรารู้เข้าใจอะไรเนี่ยจิตมันเป็นไปเองครับอา้าวเคยพูดมาให้ฟังนะมีคนเอาทองคำมาแท่งหนึ่งนะหรือเอาเป็นทองแท่งหรือเป็นทองรู ป, ปรพรร์เป็นแหวนเป็นสร้อยอะไรแล้วแต่มาเนี่ยเอามาแล้วก็ทีนี้ก็ ใจเรายังมีกิเลสใช่ไหมโลภเราจะบอกว่าไม่โลภได้ไหมจิตอยากเนี่ยมันก็อยากได้ใช่ไหมมันก็ฝืนไม่ได้มันก็เป็นอยู่ยางนั้นใช่ไหมเนีมันก็เป็นไปก็มันตามเหตุปัจจัยเพราะเรายังมีปัจจัยก็คือโลภอยู่ mm hmm. อ้าวทีนี้อันนี้มันเป็นพิ์อุปมานะมันจปนของจริงแต่ว่าใจเข้าใจเกิดรู้ขึ้นมาอีตาคนนี้ทองเอาทองเก ม, มา ขอรู้เท่านั้นแหละครับใจยอยากไหมเอาอะไรความอยากไปหายหายเปไหบังคับใจให้อยากได้ไหมไม่ได้อีกใช่้ยมอ๋อปัญญามันรู้แหละเกิดรู้แล้วมันเป็นไปเองเลยเปลี่ยนจิตไปแล้ถ้ะทำไงก็บอกให้มันอยาก <c oughs> มันก็ไม่ยอมอยาก <c oughs> ถูกไหมไม่รู้จะทำยงไง <c oughs> เป็นไปเองท่านปฏิบัติไปถึงจุดปัญญามันเกิดขึ้นแล้ว จิตมันก็ไปตามปัญญานั่นแหละนะไม่ต้องไปห่วงมันนกันเนี่ยที่ว่าไม่ยึดมั่นเนี่ยจึงได้บอกระวังนะจะไปคนปุถุชนเนี่ยบอกไม่ยึดมั่นเนี่ยเตือนกันอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นเนี่ยนก็คือไอ้ความไม่ยึดมั่นของตัวเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่น เอาความไม่ยึดมั่นเนี่ยมายึดไว้ถ้าเป็นความไม่ยึดมั่นที่แท้เนี่ยเป็นไปเองจิตมันไม่ยึดของมันเองเนี่ยเหมือนอย่างกรณีทองคำเมื่อกี้ทองจริงทองเกนี่แหละนี่ยนี่ก็คนเราเนี่ยไปฟังท่านสอนมาก็เชื่อเห็นด้วยโดยเหตุผลทั่วไปบอกว่าไอ้ความยึดมั่นนี่มันไม่ดีนะ มันเกิดโทษอย่างนั้นงั้นเราก็มองตามเหตุผลที่ท่านว่ามันก็จริกตามว่านั้นต่อไปนี้เราจะมายึดบ้านแล้วกลับไปบ้านก็ไม่ใช่บ้านของเรารถยนต์นี่ก็ไม่ใช่ของเราเงินทองก็ไม่ใช่ของเราไฟเอาใจใส่หมดเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือยึดมั่นในความมายึดมั่นไอความมายึดมั่นเงินมายึดมั่นรถมายึดมั่นบ้านมันเป็นความ ไม่ยึดมั่นในความยึดมั่นของเราใช่ไหมมันไม่ใช่ความไม่ยึดมั่นดิแท้จริงแต่ความไม่ยึดมั่นี่แท้จริงก็คือปัญญามันรู้เข้าใจว่าสิ่งเนี้ยมันก็เป็นของธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นมาเป็นไปตามเหตุปัจจัยอแล้วก็เมื่อมันเป็นของมีอย่างงี้มันมีเพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็ใช้ไปตามนั้นแต่ถ้ามันมีอันเป็นไป ใจเรารู้เข้าใจแล้วก็ไม่ทุกข์ผ่อนมันอะไรเงี้ยนะอย่างนี้เรียกว่ามา ย, ยึดมั่นเหมือนกับเอาทองมาเนี่ยก็ที่ว่าแหละใจเรายังมีโลภอยู่ก็จะฝืนยังไงจะบอกฉันไม่ ย, ยึดมั่นไอ้ความไม่ ย, ยึดมั่นอันนั้นก็เป็นเพียงความไม่ ย, ยึดมั่นในความยึดมั่นเท่า น, นั้นแหละก็ได้แค่นั้นนีทีนี้ถ้าคนปุถุชนก็หมายความตอนนี้รู้แล้วว่าทองเนี่ยเก๋ไม่ใช่ของจริง มันก็หลุดเองเลยปัญญามันก็ทำให้หลุดทีนี้ว่าสาหรับผู้ที่มีปัญญาถึงขั้นอีกขั้นหนึ่งทองเก้ไ ม, ม่เก้มันก็มีค่าเท่ากันใช่มันตอนนี้มันก็หลุดจริงๆนะก็เป็นไปได้ปัญญาเพราะนั้นตัวปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วมันก็เป็นไปเองตามเหตุปัจจัยนะตอบแล้วอย่างตอบแล้วนะ เอาเรียบร้อยแล้ว น, นันก็จเจริญปัญญากันไปเพราะฉะนั้นท่านจึงเน้นวิปัสสนาให้เกิดปัญญารู้้าใจแล้วก็ไปไปมาๆ ม, มันก็กลายเป็นว่าทุกขณะไปเลยเข้าใจชีวิตที่เป็นจริงแล้วมันก็ไปตอบคาถามเรื่องชาตินาชาติอะไรไปหมดไปได้วยกันเนี่คุณจะไปพูดชาติหน้ากี่ชาติแต่คุณไม่เข้าใจ <c oughs> ชีวิตที่เป็นไปจิตใจที่ <c oughs> เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคุณก็ไม่มีทางจะ ชัดเจนได้หรอกตอนนี้ก็ปฏิบัติไปให้ถึงขั้นที่ว่าคลายความห่วงใหญ่ไม่ต้องห่วงใ่แล้วก็หรือไม่งั้นก็มีความมั่นใจในตนเองอย่างที่ท่านบอกว่าตั้งอยู่ในธรรมแล้วไม่ต้องกลัวประโลก <c oughs> นิมนต์ครับผมขอรบกวนเวลาท่านอาจารย์ท่านหลวงพ่อเพียงแค่นี้ครับขอให้พวกเรา กับปล า, าท่านอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันวันนี้เอาตัวนี้ก่อนเออเอาเอ า, เอาพร้อมกันดีพร้อมกันอก็ขอให้ได้ปฏิบัติทำได้ก้าวหน้าได้ประโยชน์กันทุกท่านนะฮะแต่พอมองเห็นนะมาบวชนี้เห็นประโยชน์น ะ, ะนเห็นกก็ดีแล้วเอเอ่แล้วครับโมทนาขอบใจไว้นั่นนะ อ๋อแล้วก็เดี๋ยวขอโทษเถอะทัญญานวาชิโระเข่าไม่ดีใช่ไหมอ๋อแล้วนั่งอย่างงี้ไม่ลำบากแย่เลก็ตอนนหลังผมก็ขยับบ่อยครับเลยเออแล้วทําไงดีล่ะก็ต้องไม่ ไ, ไ, มไม่ยมโมเกรงใจนักนะให้ได้ประโยชน์โดยเมื่อกันเดี๋ยวทุกขเวทนามันมารบกวนทําให้การฟังอะไรจะเลเสียสมาธิเพราะจิตดิ้นพอมีทุกข์แล้วมันดิ้นนี้จะมีทางแก้ยังไงเช่นนั่ง คัดสมาติผมคิดว่าคราวหน้าถ้ามีโอกาสมาผมก็ขอนั่งพิงเลยอเอานันเลยไหวนะเมื่อันก็เอาแบบนี้ไม่ต้องนะอ้าวแล้วก็เอาให้พอได้สปายะเพราะการนั่งนั้นก็อิริยาบถสปายะอิริยาบถที่มันเกื้อหนุนเมื่อันตอนนี้ท่านก็เสียสปายะคนนี้เนียก็จะทำให้ไม่ได้ผลเต็มที่ เอาละครับหมวดนัย